เวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานเระกรรมทานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเอาศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันวันนี้ได้พูดลักษณะเราศีลที่เราเจริญกสิศแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทอง ซึ่งเป็นสิกข์ขสาริษาริบต่อมาองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสิณแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับรเราเราพุทธบริษัท เพื่อเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจริงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติเพืกรรมาฐานก็ดี เพื่าจะทำงานทางโลกก็ดีเพื่อปฏิบัติตนในขั้นกามาวาจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่โดยการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอ วิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกะสินอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรมาานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามาปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักวันทรงแนะนำ ให้ใช้ทมฌานถึงฌานสี่แล้วก็มาจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขั้นห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามาำรับท่านนี่ถึงฌานสี่นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะ เอาไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสีได้โดยง่าย บางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสีได้ท่านนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็นได้แต่ถ้าว่ากําลังใจที่จะใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมาย ตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเิกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระมมรพวิจิตมานทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จึงกว่าจะได้บรรลุอภิเิกสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระรหันต์เพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินรีของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านนังไลที่จะทําให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรคลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงชานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโก นิ่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็ว ในความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงชา้นสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบรูปในอิทธิบาทสี 4, เ่เพื่อหนึ่งันทะมีความรักพือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กระสินเป็นอารมณ์ ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุหน่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนิหวศขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนื่องฉันทระในการประพฤตปฏิบัติเพื่อมรักผลก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกษัริงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดคิดถึงกษัริงกองนั้นรูปรสณะของกษัริงกองนั้นอยู่แบบเดียวกันหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็่าทรงตัวภายในมิชาเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรัก ทั้งทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันสายไกลแล้วก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่าหน้าตาเป็นยังไงทิวพันธ์แบบไหนแม้แต่การเยี่ยงไกลในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสาหรับการเจริญรปกรรมฐานทุกองก็เหมือนกัน เรารต้องเราต้องการฌานสมาบัติ <c oughs> หรือว่าต้องการตัดทั้งยศก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสา ว, สาวรักหนมห น, ม, หนมรักสาวทําจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นก็มาฐานกองนั้นนั้นจิตมันก็ทรงตัวไปมีอารมณ์เป็นฌานทำให้ฌานสีนี่ เขาต้องมีชันทะคือมีความใจมีความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิทยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์เพื่ออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทานันมันคิดนอกโรดนอกรอยเนี่ต้องตัดพยายามต่อสู้กับมัน ไอเรื่องติตที่นอโรคนอกต้นอทางนี่แล้วนอารีิเนอรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นกำหนเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความแห่งความที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ทิ้งอะไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิธรมายก็ทรงกลัดว่าวิเดเยณะทุกขมาเจติ บุคคลจะโล่งทุกได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไหร่เพียรที่ยามค่าเพ่าเราไม่เขาก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจอ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสินเนีกรมาฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติใหะจิตใจจดจอ่ออยู่เสมอ วิมังษาใช้ปัญญาไข้ครวนว่าที่เราใจจดจ่อและทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มาแล้วหรือยังกำลังใจสี่ประการนี้ท่านถ้าทรงอยู่กับบคุบคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้า แม้จะทำงานทางโลกก็าตามปฏิบัติทางธรรมก็าตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากทำเรามีกำลังสี่ปีกลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะ วัยจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอชั้นทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทํางานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสินด้วยความพอใจแล้วพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสินกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่ แต่นี้แต่หากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะตน้นหมายความว่ายังไม่จับอารมณ์ฌานสี่แต่ว่าใช่ที่บาทสีนี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขาวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกระสินพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้าง และหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขั้นห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ตรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากในการงานกระทบกระทั่งการณมที่เราไม่ชอดใจมีความไขดข้องในทรัพย์สิน ขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้มาสนบายนเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราแยกเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผล สมเด็จพระทศกัณฐ์ทรงทราบจ้าหาชื่อหาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แกิได้ มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้มันก็ตายได้ก็พลาดพลาเจ้าของนักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคําว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสัตกายไม่เกิดเป็นสัตว์ปีศาจไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรม สิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานที่ว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคําว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเ อ, งเอกันตบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จไปจอมไตรทองตัดว่าถ้าเราจะไปพระนิพพาน เราก็ความหาเหตุของความทุกข์น่ารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไปทำลายทุกข์ต้องทาลายเหตุไม่กชการดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่ดีผลดะงนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็อย่ามองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสด ปรารถนาความทุกข์ขห้มันมากขึ้นเป็นโสดนั่นเองก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาบ้านเขามีทุกข์ให้เห็น แต่เรากับคุยมีเห็นมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีาคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่ก็แต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็หนอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ท้งสุขมีแต่ทุกข์ มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนา่าถ้าลูกพยายาก็ไปกันใหญ่ <c oughs> เป็นอันว่าทุกมาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือหนึ่งอยากมีคู่ครองสองอยากมีลกูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมา รู้ว่าอยากจะร่ํำจะรวยเป็นกรณีพิเศษไอ้อยากรวยดนสัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเลี้ยงพอประทางกายสร้างความจเจริญในสถานะไม่แต่เกี่ยวกายขึ้นไปถึงกับเดที่เรียกแต่บนโลกคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินใยสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมญติตในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเรา โดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันไหมก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดทว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปมาเวลามีชีวิตอยู่ก็หากีดมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดท่านมันพอเลวจิตมันอยากจะโกรธอยากจะพิฆาตเคียงฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ เน่าอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับพัญญาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากเสีย <c oughs> ตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอํานาจของกําลังความดี กำลังที่ระยะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทําให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลกของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง <c oughs> เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทาั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อคูณเิ่งกันแล้กัน นั่นถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จึงเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจําต้องหาเราจําต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตใจคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกลื่อกูลได้ จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชืน่นพอใจในการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ได้เถึง ใ, ใครมีความลาบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสายตาไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอ ว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนทจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มารายใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้เี่ยวระตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการทีสององค์สมเด็จพระบัีแก้ว สอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคนสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเทาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉย เฉยพ่ออะไรก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการเนินทายการชมมันไม่มีผลทําให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีขั้นติระหว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคําเขาพูด ถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในารมเสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมคนดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้าสาระและเราก็ให้อาภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงกัน มันไม่ได้เกิดประโยชน์ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราแล้วก็เฉยเฉ ย, ยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกวคนโง่หนิจางเขาเถอะเมื่อมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินตั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องทิ้งกัน เราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้สิ่งเป็นร่างกายที่เราเอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระเจ้าพเพิ่ว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาปชุมกัน คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟแนนี้สุดแยกเป็นอาการสามทิศสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสุขปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทังเป็นดังฆาโรคปะพังคุ้นนังต้องป่วยเนา่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสุขปรก เราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกําลังจะตายมันกาลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆจริงที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานคิดเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามันจะเฟื่องล้วก็เลิกคิดเสีย จับภาพกระสินเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขแต่จิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทําไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามักผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีใจิตใจจดจอ่อ อยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทางสองการณ์แทนแก่สิ่งและวิปัสนาญาณแล้วใช้ปรรัญญ า, า, า, าพิจารณาบอกเราพิจารณาโธและิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจรารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไหรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าใดใครคนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งหรือห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดี ถ้าคิดต <sim. S 1> the ัวกายของเหล่านี้มันยังจยาพังแล้วเราจะไปโหงกายของใครล้วจะไมโหนวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุิเทตระหันเป็นพระอรหันเนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทรงตัดมาตั้งหลายเรื่องแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้ อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระิจิตามานไม่ห่วงใหญ่ในชีวิตในเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมาผลเป็นอันมากการที่จะเป็นพระอริยเจา้าของทุกๆคนอยู่ในสัญญาดข้อที่หนึ่งเท่านั้น คือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกรรมวิคันห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็บเรากันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มนได้ใจใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดปิดจับกระสิน พอมกสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่ยังกระทั่งกําลังใจเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นอย่างสารจิตใจมีความรักปณิพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จตถาสมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิจ์จิตหมดจากความกําหนัดยินดีในเพศตรงเป็นข้าม อารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูประชาญและรูประชัยก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวเวลาดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์จะสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรอยังดีอยู่ไม่มีจิตรักอนิพานเป็นอารมณ์และในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่น มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกไม่มีความหมายหรือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกจิตเราต้องการคือผลิพาน์อารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เปน็นสุขมีจิตเบา จิตมันเบาว่องไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทําตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดหัืวใครเขาจะรัก <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดไว้อย่างเดียวสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง กิจนั้นเป็นกิตที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายเขเราเสียนได้เมื่อไรร่างกายเขางป็คนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอาราบรัรดาพโยคาไวยจรทั้งหลายเรื่องของสัญญอดแล้วก็พูกมามากและก็มีพระตัวอย่างหนกชายในช่างทองเป็นสาคัญ สำหรับเรื่องกับสิ่งนี้ถ้าจะพูดก็เป็นนานมันก็เยอดเยอือพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงสานสี่ได้แล้วก็ใช้คำํำการพิจารณาสลับกันไป แผลใจของท่านหลายทรงอยู่ในที่บาตทั้งสี่บริการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระหันได้ภายในเจ็ดวันถ้าหากว่ามีกําลังจิตแก่กล้าถ้ากําลังใจอ่อนก็ไปหันได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ายังกําลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงที่บาตเสีได้ครบก็ไปหันได้ภายในเจ็ดปี เป็นเอาความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรรบบดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านนังหลตั้งกายให้ตรงดำรงจิตมันกำหนดรู้ลมหาย ใ, ใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิญาสายสเร่นกว่าเย็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี